บางครั้งเราก็ไปอยู่ในนรกธรรมดาบางครั้งเราก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางครั้งเราก็เกิดเป็นเปรตบางครั้งเราก็เป็นอสุรกายบางครั้งก็เป็นมนุษย์บ้าใบบอดนวกบางครั้งก็เป็นราชามหากษัตริย์บางครั้งก็เป็นจักรพรรดิราชบางครั้งก็เป็นเทพป็นเท้าสกะบางครั้งก็เป็นพรหมป็นเท้ามหาพรหมนี่คือสังสารวัตนี่ะคือการเดินทางยาวไกล สิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นี่คือสิ่งที่เรามาทำใหม่หรือมาทำเก่าก็คือเป็นสิ่งเก่าที่เรามาทำกันใหม่ทั้งนั้นนี่แหะคือโทษทของการออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ดงนั้นที่เรามานั่งวิ่งวิ่งเรียนนั่งฟังพระธรรมกันอยู่ก็คือมาเรื่องเดิมนะมาเรื่องเดิมนี่แหละแต่เราฟังแล้วเราทาลายสักยทิฐิคือความเห็นผิดไม่ได้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 เขตของความหลุดพ้นอาตมาจะไม่ค่อยจับคำพีต ร, ตรงนี้นะอาศัยว่าพูดมายืนยําได้เกือบหมดแล้วเนี่ยก็คือว่าหลายๆายท่านเนี่ยไปเข้าใจว่าการขัดเกากเีดเนี่ยมีอยู่มุมเดียวเท่านั้นแหละคือการไปเข้าห้องกรรมาฐานอาตมาก็บอกว่าตรงนั้นโถูกถูกแล้ว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 เหตุผลที่ท่านตั้งธรรมมาสมาธิที่เป็นอริยไว้ก็เพราะว่าสัมมาสมาธิที่เป็นอริยนั้นเป็นสมมาสมาธิที่เป็นโลกุตระก็ไปเชื่อมในวิมุตตายตนะห้าในวิมุตตายตนะแปลว่าสมมาสมาธิไบอกว่าปลามโมดปีติปัสสธิความสุขสมาธิอันนี้เป็นหลักเหตุผลความหลุดพ้นสมาธิในที่นั้นอัตถกาถาท่านบอกสมาธิที่ในอารหัตผล คำว่าสมาธิที decir, ่ในอาราถผลก็แปลว่าสมาธิที่หลุด <anya> พ้นแล้วเวลาพระุทธเจ้าไปสอนในสูตรอื่นในเชื่อมโยงสูตรอื่นเอามาเชื Omega ่อมโยงกันก็จะเห็นว <h az owski> ่าสมาธิที <owski> ่เป <h az owski> ็นอาราถผลเนี่ยพุทธเจ้าเอามาตั้งเขาไว้บอกว่าถ้าเธอปรารถนาจะบรรลุอาราผลจะบรรลุสมาสมาธิที่เป็นอาราถผลจะต้องรู้ปัจจัยของสมาธิที่เป็นอลราถผล จะต้องรู้องค์ประกอบของสมาธิที่เป็นอนาัตผลก็ถามว่าอะไรเเป็นเป็นองค์ประกอบอะไรลระเป็นเหตุปัจจัยของสมาธิที่เป็นอริยะก็บอกสัมมาทิฏฐิไงคือความเห็นชอบสัมมาสังกปะคือความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบการสัมมากรรมมันตะการทำการงานชอบสาัมมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบเนี่ยสัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบเนี่ยสัมมาสติการระลึกชอบสา ม, มาเนี่ยเจเนี่ย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 ถามว่าพระ อ, องค์ปรารถนาสัพพัญญุตยานเพื่อได้สัพพัญญุตยานแล้วสัพพัญญุตยานของพระ อ, องค์นั่นแหละมาแทงตลอดในพระธรรมแทงตลอดกระแสขันหมืน่นหรือแสนโกรธล่วงกระทาแล้วในสุดจริงๆพระ อ, องค์ก็ได้สัพพัญญุตยานนั่นแหละผลิตพระธรรมออกมาใยะเราท่านทั้งหลายได้เห็นแสงสว่างของชีวิตในทิศในการที่จะเดินออกจากสังสารวัฏ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 ทีนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ว่าคนบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตนเองติดสังสารวัตรไม่เข้าใจว่าตัวสังสารวัตรเนี่ยมันเป็นคุกนี่นี่กลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งรู้ว่าสังสารวัตรที่เป็นคุกแต่มันยินดีเพลิดเพลินพอใจในสังสารวัตรในคุกไปแล้วนี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่ง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 ปลาโมดเกิดเมื่อปลาโมดเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ปีติปีติเกิดก็เป okay ็นป <mas> ัจจัยแก่ปัจสถาธะปัจสถานะเกิดก็เป็นปัจจัยเก่ความสุขความสุขเกิดก็เป็นปัจัยแก่สมาธิไหมทีนี้สมาธิเนี่ยถ้าระดับสูงจริงๆหมายถึงสมาธิที่เป็นอริยะที่สมาธิจะเป็นอริยะจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ต้องมีปัจจัยต้องมีปัจจัยต้องมีองค์ประกอบ ทีนี่ปัจจัยหรือองค์ประกอบในการที่จะเกิดสมมาสมาธิที่เป็นอริยะนั้นน่ก็ดังที่ได้กล่าวว่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวสัมมาวยมาสมาสติอันนี้คือเหตุนี่คือปัจจัยนี่คือองค์ประกอบของสมาสมาธิที่เป็นอริยเราท่านทั้งหลายตอนนี้เราฟังพระธรรมเนี่ยอาศัยเราตั้งยังไงถ้าเราตั้งเพื่อรู้อย่างเดียวเนี่ยมันได้แค่สุตะ